นะมีความมีแต่ว่าคุณจัดการไม่ทันเอาละวางมือทั้งสองอีกทีนะมือทั้งสองรีดมือขวาขึ้นบนข้อขวาตั้งนี้นะยกมือขวาขึ้นข้างลําตัวเํามือขวาที่หน้าท้องริกมือซ้ายบนข้อซ้ายยกมือซ้ายข้นข้างลําตัวมือซ้ายตะกบมือขวา เล่นมือขวาขึ้นที่มือขวาข้างลำตัวตั้งบนเข่าขวารอมลงเลื่นมือซ้ายทหน้าอกมือซ้ายออกข้างำตัวตั้งลงคำว่ารู้สึกเนี่ยรู้ยังไงรู้การพลิกดูให้ดีนะตอนแรกมือระวางเรือว่าหยุดใช่ั้มพอเคลื่อน แล้วก็หยุดระหว่างรู้เคลื่อนรู้หยุดสัมพันธ์กันเขาเรียกว่ารู้สึกตัวแต่ถ้าเคลื่อนกับหยุดไม่สัมพันธ์กันความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นสติปัฏฐานอันนี้หยุดใช่ไหมเอาเคลื่อนตามรู้เคลื่อนหยุดแล้วก็เคลื่อนหยุดเคลื่อนมือซ้ายหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อน หยุดแต่มือขวาเป็นเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนมีเคลื่อนกี่ครั้งมีหยุดกี่ครั้งพดี๋ยวจำได้ไหม จะไม่ได้นับนะนับดูทำไมนะวางห <c oughs> ยุดนะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อน หยุดเคื่อนยุดเคื่อนยดเคื่อนหยุดเคื่อนหยุดเคื่อนหยุดเื่อนุท่าไหร่เคื่อกี่ครั้งกี่กีครั้งหืมไว้สรุปง่ายๆยี่แปดเดี๋ยวพ่านนับก็ดได้ได้ปรับผลิตกระดกเลยนะไม่ใช่สรุปว่า เครื่อน14อยู่14รวมกับยี่สิบอันนี้ก็าเลยว่าใช้ความคิดนะไม่ได้ใช้ความจริงนะตรงไหมอา้าวใครมัน่นใจว่า28่สิทดสอบดูหนึหยุดนะอ่าสองเื่อน3ามอยู่สี่เื่อนห้าหกเพื่อน7จ็ดอยู่แปดเื่อน9 10เคลื่อนสิบอยุดสิบสองเคลื่อนสิบาหยุดสบสเคลื่อนสิบห้าหยุดสิบหกเคลื่อนสเจ็ดหยุดสิบแปดเคลื่อนสเกยุดยี่สิบเคลื่อนยี่ยุดยีสิบสองเคลื่อนยี่สาหยุดยีสี่เคลื่อนยี่ห้าุด2ีหกเคลื่อน 2 7่สิบเจ็ด่สคืนย9ิบเกหยุดน้าทิ้ ด, ด, ดๆๆเลยนะเพราะฉะนั้นจะสรุปตามความคิดไม่ได้นะต้องใช้จากพิสูจน์ด้วยความจริงอันนี้คือจุดหนึ่งสำหรับพูดที่จะเลยสถิปิฐานว่าพาะเห็นอะรจริงช้าเพราะว่าส่วนใหญ่ทำด้วยความคิดไม่ได้ทำจากความจริงแต่ถ้าหาว่าใครตั้งใจทำตามที่ปรากฏจริงแล้วปรากฏชัด ปัญญาเยทาติทำชฉไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดใช่ไหมปัญญาตรงนั้นแปลว่าปรากฏชัดนะถ้าปรากฏชัดอะไรก็ตามที่เราเห็นชัดชัดตรงนั้นปัญญาเกิดแล้วถ้าเห็นชัดชัดถ้าเห็นบื้อไปหลายๆอันเนี่ยไม่ชัดไม่ใช่เป็นโลภุตระพัญญาแต่โลภุริยปัญญาต้องการเห็นสิ่งเดียวชัดชัดอย่างสมมุติว่ามาเห็นโยมเนี่ย บอกเห็นชัดชัดเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเห็นชัดชัดเห็นทีละอย่างนะเห็นแ้่ละอะไรเห็นอะไผมใช่ไหมเห็นที่ขนขนตาขนคิ้วเห็นจมูกนะผมขนเล็บไหนเขาดูเล็บเหมือนทีเล็บสาสตร์หรือเปล่าโอ้เล็บดามากเลยนะมันไม่เห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยทีนี้เห็นชัดชัดก็เห็นทีละอย่างเห็นทีละอย่างผมขนเล็บฟัน ถ้าให้เห็นทีละอย่างนั้นรูปที่เราเห็นน่ารักหรือน่าเกลียดส่วนใหญ่น่าเกลีย ด, น, ยดน่ากลัวนะแต่แล้วทําไมาเราดูแล้วน่ารักเพราะเราเห็นไม่ชัดนะตรงนั้นจึงเป็นโลกิยาปัญญาเพราะเห็นไม่ชัดเพราะเห็นไม่ชัดแล้วจะเกิดความรู้สึกสองอย่างคือความรักและความไม่รักหรือความชั่งความชอบและความไม่ชอบมันจะมีความรู้สึก2ออย่างแต่ถ้าเห็นชัดมันจะเหลืออย่างเดียวเ<ๆ>หลืออะไรเหลือความรู้สึก ซื่อๆเคยได้นคำนี้ไอันนี้เป็นสํานวนฮิตมากนะรู้สึกซื่อๆหลวงพความเขียนว่รู้สึกซื่อๆเป็นความรู้สึกเฉยๆเป็นเปลีนเพียงแต่ความรู้สึกนั่นคือเห็นชัดมันจะเหลืออันเดียวแต่เห็นไม่ชัดมันจะเกิดเป็น2เป็น3เป็น4ี่เป็น5เป็นร้อเป็นพันเป็น1มื่นเป็นแสนนั้นเรียกว่าปัญญาแบบสมมุติแต่ปัญญาแบบปรมัติตมันก็จะเหลืออันเดียวคือรู้ชัดปรากฏชัดเรียกว่าโลกุตตรปัญญา เพราะนั้นตัวโลกุตระปัญญากับโลคิยะปัญญาเราเกิดมาพร้อมกับปัญญาตัวไหนเราพร้อมมาโลพร้อมมาเกิดมาพร้อมกับโลคิยะและโลกุตระอ่าเอาให้มั่นเอาให้มั่เดี๋ยวสอบตัเมื่อกี้สอบตัวเป็นหนึ่งทีแล้วนะฮะอ้าวเวลาเราเกิดมาเนี่ยนองเฉยเลยเนี่ยไม่หือไม่อื้อเนี่ยปกติไหม อ๋อเกิดมายิ้มเลยนะเกิดมาพูดได้ยิ่งหนักเขาอีกเกิดมาแล้วเพราะมันผิดปกติเกิดมาตามปกติเด็กเข้าไปเกิดมาเป็นไงร้องถ้าเด็กคนไหนไม่ร้องทำไงหมอก็จับมาเป็นไงตบก้นแล้วเราร้องมาไงเอาแวนะอาแวเราเรียกไปเรียกมาเป็นอูแวเนียแต่เราต้องเอาแวสันรู้สิกตัวแล้วสันรู้สิกตัวแล้วหมอก็ตบกวนให้รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นปัญญาโลหิตละเนี่ย เ<บอ>กิดมาถ้าไม่ม <Mon mala ise> ีไ <linger> ม <ie> ่ได้หมอตกนะใช่มันเป็นไฟบางเข้าปะต้องต้องได้ตกให้รู้ตัวอูแวอูแว่เราลืมภาษาว่าเอาแวเราใช้คำว่า a w a ว e n e ใช่ไหมความรู้สึกตัวแห่งว่าซื่อๆด้วยนะตอนตัวเอาแวแล้วเอ๊ะบางคนผมไม่ได้เอาแวเพราะมันร้องไห้เลยนั่นนะแสดงว่ามันมันดีใจหรือมันเสียใจมูนเสียใจที่ได้เกิดมากูยังทุกข์กับเจ้าขชีวิต ไม่ร้องด้วยความดีใจนะเสียใจว่าจะต้องมาเป็นทาสของใครคนใดคนหนึ่นในชีวิตนี้นะตลอดชีวิตเลยนะอั น, นั้นเองเราเราร้องกออ็รู้สึกตัวรู้สึกตัวนั้นเราจะทุกข์ถ้าไม่รู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่าหลงว่าชีวิตนี้เป็นสุขใช่ไหมนะแล้วก็จะรู้สึกทุกข์และรู้สึกตัวอันนั้นต่อไปรู้จัดนาม มาทําเพื่อรักษาใจรู้จากโลคดังนั้นวิธีรักษากายก็คือรักษาใจตั้งแต่รู้ก่อนหน้านั้นเอามารู้ไม่ชัดนะรู้ไม่ชัดใช้ชีวิตนีนน่อย่างสนุกสนานปรากฏว่ากินอย่างสนุกนอนอย่างสนุกเที่ยวอย่างสนุกเล่นอย่างสนุกเป็นสารพัดโลคเลยนี่เป็นโรคความดันโลคไขมันโลคหัวใจโรคกระเพาะนะโลคไมเกรนโรคนอนไม่หลับ กใกล้จะเป็นโุคประสาทตอนนั้นเราจะใกล้เป็นโุคประสาทพอมาเจอธรรมะพอเทียน <c oughs> พอรู้จักรูปจกนามแล้วเริ่มฮิวอัพเริ่มรักษาตัวเองไปและวโอเอาการมันหนักไปก่อนมันเบาโอ้อะไรที่มันเกินเนี่เอาออกเพราะคนส่วนใหญ่เราป่วยไม่สบายเพราะเราเกินใช่ไหมเพราะเราเกินทีนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าบอกให้พอดีดีใจก็ดีใจให้พอดีเสียใจก็เสียใจให้พอดีอาหารรถพอดี พอความพอดีทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดจากใจก่อนแต่ร่างกายเนี่ยมันเขาไม่รูร้ขนาดไหนพอดีใช่ไหมแล้วแต่ใจนี่จัดให้แต่ถ้าใจเราไม่รู้ก่อนว่าสมมุติว่าจะมาหาจะหาความยาวของวัตถุชิ้นนี้นะฮะถ้าหากว่าอามาไม่รู้หัวท้ายมันก่อนมาหาตรงกลางเจอไหมไม่เจอตรงนี้เอายาวเกินไปถามว่ายาวเกินเท่าไหร่ไม่รู้หนักเกินไป เบาเกินไปยาวเกินไปสั้นเกินไปไม่รู้เพราะนั้นเราก็จะหาตรงกลางไม่เจอเพราะว่าเรายังไม่เห็นเันต้องเห็นที่สุดด้วยก่อนท่านใช้ความที่สุดของสุขหรือของทุกข์ที่สุดของทุกข์ทำไนการทำที่สุดแห่งทุกข์อ่าเวลาเราสวดใช่ไหมหลายคนที่เคยสวดเกวรสะทุกขคันทัสะอันตะกิริยาปัญญาเดชทัดีทำไงการทำที่สุดคือทำยังไงที่จะเห็นปลายสุขปลายทุกข์ได้เนี่ยเพื่ออะไร เพื่อทีหาตรงกลางได้แต่ถ้าหากเราหาหัวหาท้ายไม่เจอเราจะหาตรงกลางไม่ได้แต่ความรู้สึกของเราระหว่างความพอดีเนี่ยเราจะต้องหาที่สุดของความสุขให้เจอหาที่สุดความทุกข์ให้เจอแล้วก็จะมาหาตรงกลางสุขกลางทุกตรงนี้เองเรียก ว, ว่ามัชชีมาปฏิปทานะเมื่อก่อนเรากินเค็มจัดเค็มเกินไปใช่ไหม หวานเกินไปเปรี้ยวเกินไปอะไรที่เกินเกินในที่สุดร่างกายเราเป็นไงทํางานก็หนักเกินไปใช่ไหมนอนดึกเกินไปเล่นเกมมากเกินไปใช่ไหมกินมากเกินไปก็ทำให้เป็นโรคอะไรหัวไขมันเบาหวานความดันเกาพาะหัวใจมะเร็งตามมาเพราะมันเกินทีนี้พอเรารู้อย่างนี้อ๋ออันไหนที่มันเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เรารู้ได้ไงว่าเราเป็นทุกข์ ถ้าอะไรอะไรเกินไปมันจะหนักเกินไปใช่ไหมเราก็จะลดลงอันไหนที่มันเบาเกินไปเป็นไงมันสบายเราก็ไปเสพความสบายใช่ไหมเราก็เรียกว่าเพลินเพลินกินเพลินอยู่เพลินเล่นเพลินสนุกสนานพระพุทธเจา้าถึงบอกให้ละทั้งสองข้างถ้าหากตอนแรกท่านก็นไปทั้งสองข้างถ้าไปข้างเกินในฝ่ายขาดเรียกว่าอาัดดัดเลียมะธาโนยโยบถ้าเกินในฝ่ายดีเขาเรียกว่า กามะสุขันธ์การุโยคท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติพึงละทั้งสองทางเสียให้ละในส่วนเกินแล้วก็ปรับให้ส่วนเกินเข้ามาพอดีก็จะเจอมัชิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายกลางง่ายๆอย่างนี้นะแต่ทําง่ายหรือไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะต่อให้คุณท่องจำลาพระตรีโ ด, โดกจบกี่เล่อกี่เลื่อคุณก็ยังหาไม่เจอเมื่อกี้ประเทศไทยที่เราเป็นมหาเรียรเก้าประโยชน์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาบรรลุทำงานหมดแล้วใช่ไหม ถ้าหาความพอดีได้จากตำร า, าจากมาคิดเอาไม่ได้เลยยิ่งมหาประโยคน์ก้าวยิ่งมหาประเรียนี้วิ่งบรรลุธายากเพราะมันรู้มากเกินไปนะอันนี้เกินมันรู้มากก็ไม่ดีนะเนะี่ยรู้น้อยก็ไม่ดีรู้มากไปไงยากนานรู้น้อยไปไงคอยนาขาญได้รู้พอดีไปไงอ่ะบรรลุธารม <c oughs> <c oughs> รู้พอดีบรรลุธรเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ยากแต่ว่าหายากมากดังนั้นท่านจึงมาสร้าง การที่จะรู้ที่สุดทุกซุปทุกและสุดนะั้นเราต้องหาอะไรก่อนหาความรู้เพราะเราไม่รู้มันจึงเกินจึงขาดใช่ไหมแต่พอเรารู้เหนือรู้ใต้รู้ที่สุดทุกรู้ที่สุดสุดแล้วก็หาตัวกลางได้เจอเพราะนั้นสิ่งแรกที่สุดเราก็หาตัวรู้นะตัวรู้ที่จะทำให้เราเห็นความพอดีต้องตัวรู้ที่เกิด จะคุ้งอุทัปปิยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกูอุทัปปิอันนี้เป็นคาถาตอนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ใครธรรมเจวะเขียเป็นธรรมเทศนากันแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกท่านพูดถึงเรื่องนี้เลยนะพูดถึงเรื่องความเกินพอดีนะถ้าเกินพอดีในฝ่ายชอบเขาเรียกว่าตันหากล้ามาตันหาเพราะวตันหายเพราวตันหาถ้าเกินพอดีถ้าเกินพอดีในฝ่ายชอบอเรียกว่ า, ากล้ามาตันหา ถ้าเกินพอดีในฝ่ายไม่เช่าเรียกวิภาวะตันหาแล้วไปหลงความพอดีและหลงความเกินทั้งสองข้างเรียกว่าภาวะตันหาเกิดตันหาตลอดเลยนะถ้าเรามีความสุขเราไปเสพเป็นกามตันหาถ้าเรามีความทุกข์ไปเสพก็เป็นวิภาวะตันหาแต่ทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นเราไม่รู้จักเป็นภวะตันหาทีนี้เราจะทํำยังไงถึงจะเอาตัวตันหาออกได้ก็ต้องมาได้ตัวจักขุงอุทัปิิคือได้ดวงตาก่อน ดวงตาในร ว, ว่าเพราะฉะนั้นโดยสั ญ, ญลักษณ์เวลาเราเข้าไปในวัดไหนก็ตามเนี่ยเวลาเราไปหาพระหายเจา้าบูชาพระเนี่ยเราจะเตรียมเทียนไปสองเล่มทู่ไปสามดอกเสม อ, อเพื่อเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าชีวิตจริงเราจะต้องมีตากี่ดวงสองดวงคือตาไหนมัางแต่นอกกันนอย่าว่าตาซ้ายกับตาขวาห <laughs> <laughs> ลงประเด็นเลยก็เลิกกันนะตาซ้ายกับตาขวาต่างก็เป็น ฟิส <Physical> ิกอายใช่ังสะจากสู่แต่ถ้าเอาเป็นตาในเขาเรียกว่า Inner Eye หรืออินเทอร์เหรือ wisdom ดคือ ป, ปัญญาจากสู่ใช่มวิสคือตาจากปัญญาจากสู่เพราะนั้นไปอธิบายเรื่องนี้มีคนถามตอนปีนี้ไปฝรั่งเศสพอดีไปเจอช่วงวิสาขะเข้าพอดีวิสาขาในทางพุทธสมาคมยุโรปของยุโรปมาตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศส เขาจะจัดฉลองวิสาขาทุกปีพราะตนี้วันวิสาขารลกกลา่าเป็นวันอะไรอินเตอร์เนชั่นแนลเดย์ใช่ไหมเป็นวันอาสากลของโลกเขาก็จัดชาวพุทธทุกนิกายในในยุโรปเขาก็จะมารวมกันจัดที่เมืองสแตต์บัวพอดีเป็นเมืองที่มาไปจัดที่นั่นพอดีเมืองสแตต์บัวทีนี่เจ้าอาวาสวันนั้นคุณพระจย์แดงท่านเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายเถราว่าที่ท่านไปบรรยายในเงี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ ก็เลยเราก็เลยต้องโดนค่อ ย, ยไปเป็นช่วงที่เราจัดดิวทรีสพอดีแล้วก็พานักปฏิบัติทั้งหมดเลยนะไปสมาคมที่คือสภายยโรมทั้งหมดเนี่ยมันกับไอ้พุทธสมาคมของฝรั่งเสีสมันตั้งอยู่ใกล้ๆกันท่านก็มาฟังที่นั่นปรากฏว่าคนหนึ่งเขาถามเรื่องนี้เราจะรู้ได้ไงว่าทางสายกลารของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้วจะรู้ไงว่าเราทางสายกลารตรงตรงๆที่แทจ้จริงมันอยู่ตรงไหนอ่าทีนี้เราก็ก็จะมีคนหนึ่แปลเป็นภ า, าษาฝรั่งเศสใช่ไหมแต่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ไปแปลฝรั่งเศสโอ้ถามเยอะถ้าคนไทยอ้าใครมีปัญหาหรือใครมีข้ อ, ขอสองสัยว่าไงเงียบเลยนะไม่มีใครยกมืแต่ถามฝรั่งพวกยุโรปตรงๆเลยยกมือสลอนเลยนะอันนี้เราอันนี้ก็เหมือนกันพอเราถามเนีิยปับนะ๊บเนี่ย เขาถามนี่แปลว่าไอ้ความพอดีตรงกลางมันอยู่ตรงไหนกันแน่อ่าอยู่ไหนกันแน่เอามาเขาบอกว่าคุณลองเอามือจับแขนตัวเองหนูสิจับแล้วก็บีบให้แน่นถามว่าคุณรู้สึกยังไงหนักแรงปวดเอาคุณปล่อยรู้สึกไงสบายสบายเป็นไงสบายมากแล้วคุณเอาประคองอย่างนี้ สความรู้สึกหนึ่งครู้สึกแน่นที่สุดสองคนรู้สึกปล่อยสามคนรู้สึกประคองคุณรู้สึกตรงไหนที่พอดีถ้าปล่อยไปเลยเนี่อรู้สึกได้ไหมไ ม, ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่สัมผัสกันถ้าจับแน่นเกินไปแน่นเกินอันนี้ก็สบายเกินใช่ไหมแต่ถ้าประคองพอดีตรงนี้คุณเรียกว่าไงรู้สึกพอดีเออนั่นแหละคุณรู้สึกของคุณรู้สึกพอดีอแล้วมาตรฐานคือความรู้ทุก ค, คนเค เป็นเหมือนกันคือรู้สึกพอดีเขาเรียกว่าคลองใช่ไหมเออเขาท้าเขาทาเขาตั้งใจฟังนะฮะตอนแรกก็ถามไปถามมาอีกคนหนึ่งว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่พอมันตกไปเป็นธาตุของความาสบายนะสบายจนเกินพอดีสบายจนเกินพอดีว่าคนส่วนใหญ่ก็ตกเป็นธาตเพราะตัวเกินพอดีในฝ่ายชอบเขาเรียกว่าเป็นเลย ตัวชอบใจใช่ไหมตัวชอบใจก็เกิดการติดใจเพราะการติดใจก็เพลินใช่ไหมเพราะเพลินตรงนี้เองพระพุทธเจ้าราคา น, นันทิราค้าสัจการในธรรมจักรจ้จอมวันที่สุดว่าเพราะความเพลินนี่เองจึงทําให้เกิดราคะกิจจะถามว่าแล้วจะทำไงจะเอาชนะราคะได้จะเอาชนะฟัพราะตะวตันตกเขาเป็นวัตถุนิยมใช่ไหมเพราะมีความกำลัดราคานี่เป็นเหมือนกับชีวิตเข้าเลยอะ่ะแล้วเขาจะละได้ไง แ้วคุณมาสอนให้ละโดยที่ในสิ่งที่เรามนุษย์ทำไมได้เนี่ยเออปัญหาหนักเลยตรงนี้นะอามาก็บอกว่าถ้าคุณมนุษย์คุณยืนดิเขาก็ลุกไปยืนครับถามว่าคุณรู้สึกไงระหว่าที่คุณนั่งในที่เป็นชั่วโมงตอนเดยนี้เขารู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนที่ผมนั่งในที่เป็นรู้สึกหนักแล้วตอนนี้คุณยืนคือรู้สึกยังรู้สึกเบาคุณชอบหรือไม่ระหว่างหนักกับ นั่งนานหนักขึ้นเรืร่อยๆเราคุณลุกขึ้นรู้สึกเบาชอบความชอบถ้าหากว่าความเบารนี้อยู่ได้ตลอดไปไหมยได้ไหมความเบาเที่ยงหรือไม่เทียมเที่ความหนักเที่ยงหรือไม่เที่ยไม่เที่ย ง, ยงถ้าเบาเกินไปเราก็ไปตีไปเสกใช่ไหมในการไปเสกความสบายนั่นเองก่อให้เกิดการติดใจเรียกว่าอาภิชาดังนั้นพรูที่ชอบท่านบอกว่าการเจริญสติที่จะให้ละอภิชาได้เนี่ย จะต้องละได้สองอย่างหนึ่งอภิชาและโทมนัสใช่ไหมเวลาปุจจุณะ ก, ก, กายายานุปัสสีมิหะติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเน ย, ยโลเกอภิชาโทมนัสบอกให้พิจารณาดูกายในกายให้ดูกายในกายแต่ไม่ใช่พิจารณาว่านี่ผมขนเล็บฟันหนังนะให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังก็ดีท้าสีก็ดีย่อแล้วเหลือสองอาการคืออาการอะไรถ้าเป็นทางกายแล้วเรียกว่าหนักและ เบาถ้าเป็นทางใจเรียกว่าชอ บ, ชอบและไม่ชอบถ้าหากว่าเราเอาตัวสติมาดูในความหนักของเบาของกายให้ชัดๆเนี่ยให้เดียวอันเดียวถ้าหากว่าเรารู้สึกหนักเราก็ไม่ชอบแล้รู้สึกเบาเราก็ชอบแต่ให้รู้สึกเฉยๆเนี่ยมาอยู่ตรงกลางถ้าคุณไปอยู่ฝ่ายหนักเกินไปคุณก็รู้สึกท ร, รมานตัวเองคุณไปชอบ ถ้าหากว่าคุณไปอยู่อยากยให้มันเบาคุณก็จะไปติดทีนี้เอามาอยู่ตรงกลางให้รู้สึกไม่ว่าหนักหว่าให้รู้สึกเฉยเฉยตัวรู้สึกเฉยเยตัวนี้มันจะไปละความหนักและความเบานะตัวพอใจก็ดีตัวชอบใจก็ดีตัวราคาโกรกามให้คุณกลับมาอยู่กับความรู้สึกเฉยเฉยตัวนั้นมันก็จะหายไปโอ้นั่นบอก จะทําได้หรือว่างั้นยากมากเลยบอกมันไม่มีช้อยอื่นเลยนะพุทธเจ้ามีทางเดียวพุทธเจ้าเอกลายยานุวัตโขใช่ไหมมันมีทางเดียวที่นั้นที่จะทําได้อ่ามีทางเดียวถ้าคุณต้องการจะละเดินเนี่คุณก็ต้องทำอันนี้ได้แล้วมันมีจริงหรือเปล่าที่สัมผัสได้คุณพอพอใจไม่พอใจมีใช่ไหมจริงแล้วคุณทํากับสิ่งที่มันมีจริงเนี่ยมันง่ายหรือยากนะมันง่ายหรือยากแล้วคุณไปหาเงินเงินบุงทีมันไม่มีคุณต้องไปหามันแต่ความหนักความเบาอยู่ในตัวคุณคุณต้องหามันไหม ออ่นฟ้องจได้ดีเหมนกัเสียดายฉันมาช้าไปหน่อย <laughs> ฉันแก่แล้วนะไอ้คนแก่คนที่ถามมันแก่หน่อยใช่ไหมอันฟ้องจริงไ้ดีถ้าฉันหนุ่มอย่างคุณฉันควรจะทําไหวอยู่งหมนันนะเพราะเรื่องนี้ต้องต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเฉพาะหน้านะั้นนะคุณจะไปอธิบายเป็นเรื่องนั้นมันไปไม่ได้เพราะดังฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นคนเป็นไงผู น, นักปัญญาชนนั้นใช่ไหมคุณอธิบายไปเขาก็ถากมันแล้วตอบก็ไม่ถูกแต่พราะเราเอาไปจักตรงนั้นอะที่ปรากฏชัดตรงนั้นให้เขายอมรับได้นไะง เขารับไดนะ้เพราะฉะนั้นก็เลยเขาจัดอยู่2วันในงานวิสาขกนายชาติของที่ฝรั่งเศสเรา<ม>ก็เลยไปเป็นตัวผู้เลือกทั้งองวันเลยนะธรรมะปัญญาช่วงยาวภาษเซนตั้งหลายหลายนะี่ก็จะไปกล้าเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องภาษาและความสัมผัสในรายละเอียดต่างๆแล้วก็เลยพาเขายกมือนะโพลทีนี้เราก็ยกมือกันพรุบๆเต็มสภาใเลยเราก็เห็นว่าฝรั่งเขารับได้เร็วขึ้น เพราะนั้นอยากจะทบทวน ท, ทีนี่อีกทีหนึ่งทุกคนสร้างจังหวะจําได้รูเปล่าสร้างหลันใหม่นะเอพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำดูกกว่าพบยีบเก้ารึเปล่านะแตช้าทีนี้ยาวนด่ดินะหลายรอบดู เพื่อให้จำถ้าทำนี้ทำหน่อมันไม่จำวันนี้ถ้าหาว่าคนไหนกลับไปสร้างใจวาไม่เป็นหูวงพ่อไม่ให้กลับนะต้องอยู่ต่ออีกเจ็ดวันนั่นแหละปต่อที่ครุสติตแต่วันที่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดให้จำแค่นี้ได้ยังไม่ต้องรู้อะไรให้จำไว้ก่อนก็นแล้วกันมันเป็นกิริยาที่วิเศษมากขนาดยังไม่รันรู้อะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะละ ในขณะนี้ควารู้สึกตัวอยู่ที่ไหนบ้างสำรวจดูนอกจากที่มือแล้วรู้สึกที่ไหนอีกที่ขาชั้นไหมชักก้นมือตะโพกนั่งมานานเมื่อหลังเมื่อเอวเมือเอม่อยตะโพบกบางคนก็นง่วงไปเลยก็มีนะทีนี้เราจะทำไงให้มันเบ า, เ, าเตรียมตัวมือไว้ที่หน้าท้องลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งอา่านิสัยชั้นนะ ว่าความหนักหายไปได้ไงอ่าเป็นเบอลล่ะทีนี้ อ, อุโมงค์ขึ้นสองไว้ที่นา50ก็เลื่อนขึ้นมา ยืนเป็นนานๆเนี่ยความเบาที่มีอยู่นี่หายไปไหมใช่หายไปเพราะอะไรมา้กความหนักไม่เที่ยงความเบาก็ไม่เที่ยงใช่ไหมใช่ถ้าเบามันก็เปลี่ยนเป็นหนักหนักก็เปลี่ยนเป็นเบาเขาเรียกว่าอันนี้จำถูกของนัตตากฎของตจละรูปทุกรูปจยูตกอยู่ในกฎที่หมดนะตกอยู่ในกฎที่หมดเพราะนั้นตราบใดที่ยังมีรูป อ, รอยูเขาเรียกว่านา ม, มารูปถ้าเราไม่ชอบใจจ่เป็นนา ม, มารูป ถ้าเราไม่สบายกายเรียกว่ารูปนามเรารู้อาการของความไม่สบายกายเรียกว่ารู้รูปนามรู้จากความเบาของกายก็ร<ๆ>ู้รูปนามแต่พอเราไม่ได้ตามรู้ความสบายไม่สบายชัดๆนะมันก็จะไปสร้างรูปใหม่ <ๆ S 2> เรียกว่านามมารูปนามมารูปคือความไม่พอใจความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจเรียกว่านามมารูปแต่ความไม่สบายกายเรียกว่ารูปนามง่านะสองอย่างนี้ต่างกันเพราะนั้นที่ไหนมีรูปที่นั่นก็มีทุกอยู่ เพราะนั้นเราจึงต้องการให้เห น, นเหลือ น, น้ำล้วนคือความวรู้สึกโดยเฉยๆยเงี้ยนะแต่เราก็ปฏิเสธรูปไม่ได้นะแต่การออกมาเหลือความรู้สึกเดียวคือความวรู้สึกเฉยจําได้ไหมหนุ่มจำได้ดไหมเนี่ยทำให้หลวงพ่อดูนะ้เนี่ยหลมั่นใจว่าเธอจะได้กลับบ้าน <laughs> ถ้าไม่กลับไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเนี่ย เอาละจับความรู้สึกตรงที่ขาที่เท้าให้ดีว่ามันเบาหรือมันหนักแล้วทีนี้ค่อยนั่งลงอีกทีหนึ่งในช่วงที่ขยับนั่งลงให้เห็นว่าความความเบาหายไปไงความหนักหายไปไงปับ๊บอ่ะเอามาไปเปิดลงอยู่ที่ฝรั่งในหลายปีแล้วมีคนหนึ่งมามาทำานีได้สองเอคอไดสองคอคุณแบงวันนี้คุณต้องมาเป็นหลักฐานให้หลวงพอนะ่อหน่อยอยู่ไหมคุณแบม อ่าคุณขยับมาข้างหน้าหน่อยหนุ่เพราะคุณแบบนี้ปรากฏว่าเธอมาจากเยอรมันมาเข้าคอร์สมาสองครั้งเองกลับไปปรากฏว่าทําได้เอาไปสอนเฉยเลยนะเดี๋ยวนี้เธอสอนอยู่ที่เยอรมนสอนวิธีการเคลื่อนไหวนี่แหละเออเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้อย่างไรเขาไปใช้อย่างไรคุณแตงเขาเขาไม่รอยให้เธอหน่อยอ่าเห็นไหมตัวนี้คุณเทสด้วยคุณอย่ยให้โดยที่ไม่ได้เทสว่ารู้ๆหน่อย เออเล่นเสียงอีกหน่อยได้ไหมค่ะตรงนี้ชัดเจนกว่านะแบบนี้เธอยอยู่ที่เยอรมันข้ามาเข้าลิทิสที่พ่อกับที่ฝรั่งเศสรู้สึกว่าสองลิทิตสองครั้งเนาะเอาพูดให้ฟังหน่อยมันยังไงอเข้าใจคือใ น, นกระถางหน้ากันดีกว่าจนะได้เห็นเพื่อนพ้องน้องพี่เลยพอเราเป็นญาติดเดียวกัน ย่านทาาคเหถึงเต้นนิดหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> คอพอดีไปเสียงนิดนึ่ะคือชื่อบันทิตานะคะนามสกุลพงษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อแบงค์ค่ะอายุ41ปีนะคะอยู่ที่เงไทยเนี่ยเคยทางานเป็นพยาบาลนะคะอยู่ที่สถาบโรคผิวนันนะะงหลักการแพทย์ค่ะก็หลบออกไปอยู่ที่จังหวชชม ห น, นะคะก็แต่งงานกับชัยธรรมเปิดที่รู้ได้เจ็ดปีคือปีแรกที่หลวงพ่อไปคือปี 2,012 ันอปี2ิบสองมีญาติธรรมคนหนึ่งก็เลยอธิษฐานะคะแนะนำว่าหลวงพ่อมาน่าเตรียมตัวไว้แต่ตอนนั้นคือเดก็นปฏิบัติของยุคลออยู่นะคะก็รู้สึกว่ามีมีสมาธิระดับ น, นึง